ธรรมบทแปลเรื่องที่หนึ่งเจ็เรื่องเจ้าหญิงโรฮีนีข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในนิโครทารามทรงปรารพเจ้าหญิงโรฮีนีตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าโกทังชาเฮเป็นต้นตอน สร้างโรงฉันหายจากโรคผิวหนังได้ได้ยินว่าสมัยหนึ่งพระอนุรุทธะผู้มีอายุได้ไปเมืองกบิลพัทพร้อมด้วยภิกษุห้าร้ครั้งนั้นพวกพระญาติของท่านทรงสดับว่าพระเถระมาจึงได้ไปสู่สำนักพระเถระ เว้นแต่พระน้องนางของพระเถระชื่อโรหินีพระเถระถามพวกประญาติว่าพระนางโรหินีอยู่ที่ไหนพวกประญาติอยู่ในตำหนักเจ้าข่าพระเถระเพราะเหตุใดจึงไม่เสด็จมาพวกประญาติพระนางไม่เสด็จมา เพราะทรงละอายว่าโรคผิวหนังเกิดที่สรีระของเราเจ้าข้าพระเถระกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงเชิญพระนางเสด็จมาเถิดให้ไปเชิญพระนางเสด็จมาแล้วจึงกล่าวอย่างนี้กับพระนางผู้ฉลองพระองค์เสด็จมาแล้วว่าโรหินีเหตุไร เธอจึงไม่เสด็จมาพระนางโรฮินีท่านผู้เจริญโรคผิวหนังเกิดขึ้นที่สรีระของหม่อมฉันเหตุนั้นหม่อมฉันจึงไม่ได้มาเพราะความละอายพระเถระก็เธอทรงทำบุญไม่ควรหรือพระนางโรฮินีจะทำอะไรเจ้าข่า พระเถระจงให้สร้างโรงฉันพระนางโรฮินีหมอมฉันจะเอาอะไรทาพระเถระก็เครื่องประดับของเธอไม่มีหรือพระนางโรฮินีมีอยู่เจ้าข่าพระเถระราคาเท่าไหร่พระนางโรฮินี จักมีราคาหมื่นหนึ่งพระเถระถ้ากระนั้นจงขายเครื่องประดับนั้นแล้วให้สร้างโรงฉันเถิดพระนางโรฮินีใครเล่าจะให้ทำเก่มหม่อมฉันเจ้าข่าพระเถ ร, ระแลดูพระยาซึ่งยืนอยู่ในที่ใกล้แล้วกล่าวว่า ขอจงเป็นภาระของพวกท่านทั้งหลายพวกพระญาติก็พระคุณเจ้าจักทำอะไรหรือเจ้าข้าพระเถระแม้อัตมาภาพก็จักอยู่ในที่นี้เหมือนกันถ้ากระนั้นพวกท่านจงนำทัพสัมภาระมาเพื่อโรงฉันนี่พวกพระญาตินั้นรับว่าดีละเจ้าข้า จึงนำมาแล้วพระเถระเมื่อจะจัดโรงฉันจึงกล่าวกับพระนางโรหินีว่าเธอจงให้ทำโรงฉันเป็นสองชั้นจำเดินแต่การที่ให้เรียบพื้นเบื้องบนแล้วจงกวาดข้างล่างแล้วให้ปูอาสนะไว้เสมอๆจงให้ตั้งหม้อน้ำดื่มไว้เสมอๆ พระนางรับคำว่าดีละ่ะเจ้าค่าแล้วจ้ำหน่ายเครื่องประดับให้ทำรงฉันสองชั้นเริ่มแต่การที่ให้เรียบพื้นชั้นบนแล้วได้ทรงทากิจมีการกวาดพื้นล่างเป็นต้นหนึ่งเน ง, เนงพวกภิกษุก็นั่งเสมอๆลำดับนั้นเมื่อพระนางกวาดโรงฉันอยู่นั่นแล โรคผิวหนังก็ราบไปแล้วเมื่อโรงฉันเสร็จพระนางนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วได้ถวายขาธนียะและโภชนียะที่ประนีแตแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขซึ่งนั่งเต็มโรงฉันพระสัส ด, สดาทรงทำพัฒกิจเสร็จแล้วตรัสถามว่า นี่เป็นทานของใครพระอนุรุทธะของโรฮินีพระน้องนางของข้าพระองค์พระเจ้าข้าพระศัสดาก็นางไปไหนพระอนุรุทธะอยู่ในตำหนักพระเจ้าข้าพระสัสดาพวกท่านจงเรียกนางมา พระนางไม่ประสงค์จะเสด็จมาทีนั้นพระศาสดารับสั่งให้เรียกพระนางแม้ไม่ปรารถนาจะมาจนได้ก็แลพระศาสดาตรัสกับพระนางผู้เสด็จมาถวายบังคมประทับนั่งแล้วว่าโรหินีเหตุไรเธอจึงไม่มาพระนางโรหินี โรคผิวหนังมีที่สรีร์ร่ของหม่อมฉันพระเจ้าข้าหม่อมฉันละอายด้วยโรคนั้นจึงมิได้มาพระศาสดาก็เธอรู้ไหมว่าโรคนั้นอาศัยกรรมอะไรของเธอจึงเกิดขึ้นพระนางโรหินีหม่อมฉันไม่ทราบพระเจ้าข้าพระศาสดา โรคนั้นอาศัยความโกรธของเธอจึงเกิดขึ้นแล้วพระนางโรฮินีก็หม่อมฉันทำกรรมอะไรไว้พระเจ้าค่าตอนบุพกรรมของพระนางโรฮินีลำดับนั้นพระสัสดาทรงนำอดีตนิทานมาตราสแก่พระนางว่าในอดีตการ พระอัครมเหสีของพระเจ้าพารณสีผูกอาคาดในหญิงนักฟ้อนของพระราชาองค์หนึ่งทรงดํารีว่าเราจะให้ทุกเกิดแก่หญิงนั้นแล้วให้เขานำลูกเต่าร้างใหญ่มารับสั่งให้เรียกหญิงนักฟ้อนนั้นมายังสำนักของตนแล้วให้ใส่ผงเต่าร้างบนที่นอนที่ผ้าหม่ม และที่ระหว่างเครื่องใช้มีผ้าปูที่นอนเป็นต้นของหญิงนักฟ้อนนั้นโดยประการที่นางไม่ทันรู้ตัวโปรยลงแม้ที่ตัวของนางราวกับทำความเยอะหยันเล่นท่านใดนั้นเองสรีระของหญิงนั้นได้พุพองขึ้นเป็นตุ่มน้อยตุ่มใหญ่นางเกาอยู่ไปนอนบนที่นอน เมื่อนางถูกผงเต่าร้างกัดแม้บนที่นอนนั้นเวทนากล้ายิ่งนักเกิดขึ้นแล้วพระอัครมเหสีในการนั้นได้เป็นพระนางโรฮินีพระศาสดาครั้นทรงนำอดีตนิทานนี้มาแล้วตรัสว่าโรฮินีก็กรรมนั่นที่เธอทำแล้วในการนั้นก็ความโกรธก็ดี ความริษยาก็ดีแม้มีประมาณเล็กน้อยย่อมไม่ควรทำเลยดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าโกทังจะเฮวิปจะเฮยะมานังสร้างโยชนังสับบมะติกะเมยะตังนามะรูปสมิมะสจจะมานังอากินจนังนานุตตะปันติ ุก่าบุคคลพึงละความโกรธสละความถือตัวล่วงสั่งโยต์ทั้งสิ้นได้ทุกทั้งหลายย่อมไม่ตกต้องบุคคลนั้นผู้ไม่ข้่องในนามรูปไม่มีกิเลสเครื่องกังวลตอนแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าโกทัง ความว่าพึงละความโกรธทุกๆุอาการก็ดีมานะเก้าอย่างก็ดีบทว่าสร้างโยชนังความว่าพึงล่วงสังโยน์ทั้งหมดสิบอย่างมีการมราค่าสังโยน์เป็นต้นบทว่าอาสัตว์เชื้อมานังความว่าไม่ค้่องอยู่อธิบายว่า ก็ผู้ใดยึดถือนามรูปโดยไหนว่ารูปของเราเวทนาของเราเป็นต้นและเมื่อนามรูปนั้นแตกไปย่อมเศร้าโศกเดือดร้อนผู้นี้ชื่อว่าคล้องอยู่ในนามรูปส่วนผู้ไม่ยึดถืออย่างนั้นชื่อว่าย่อมไม่คล้องขึ้นชื่อว่าทุกทั้งหลายย่อมไม่ตกต้องบุคคลนั้น ผู้ไม่คล่องอยู่อย่างนั้นผู้ชื่อว่าไม่มีกิเลสเครื่องกังวลเพราะไม่มีราคะเป็นต้นในการจบเทสนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นแม้พระนางโรหินีก็ดำรงอยู่แล้วในโสดาปติผลสรีระของพระนางได้มีวันนะดุดทองคำ ในขณะนั้นเองพระนางจุติจากอัตภาพนั้นแล้วเกิดในระหว่างเขตแดนของเทพบุตรสี่องค์ในภพดาวดึงได้เป็นผู้หน้าเลื่อมใสถึงความเป็นผู้มีรูปงามเลิศเทพบุตรทั้งสี่องค์เห็นนางแล้วเป็นผู้เกิดความเิเนหาวิวาทกันว่านางเกิดภายในแดนของเรา นางเกิดภายในแดนของเราไปสู่สำนักของเท้าส ก, กัดเทวราชกราบทุนว่าข้าแต่เท พ, พเจ้าข้าพระองค์ทั้งสี่เกิดคดีขึ้นเพราะอาศัยเทพธิด่านี้ขอพระองค์ทรงวินิจฉัยคดีนั้นแม้เท้าส ก, กัดแต่พอได้ทรงเห็นพระนางก็เป็นผู้เกิดสิเนหาตรัสอย่างนี้ว่า จำเดิมแต่การที่พวกท่านเห็นเทพธิดานี้แล้วจิตเกิดขึ้นอย่างไรลำดับนั้นเทพระบุตรองค์หนึ่งกราบทูนว่าจิตของข้าพระองค์เกิดขึ้นตุดกรองในคราวสงครามก่อนไม่อาจจะสงบได้เลยองค์ที่สองจิตของข้าพระองค์เกิดขึ้นเหมือนแม่น้ำตกจากภูเขา ย่อมเป็นไปเร็วพลันทีเดียวองค์ที่สจำเดินแต่การที่ข้าพระองค์เห็นนางนี้แล้วตาทั้งสองถลนออกแล้วดุจตาของปู่องค์ที่สจิตของข้าพระองค์ประดุดธงที่เขายกขึ้นบนเจดีย์ไม่สามารถจะดำรงนิ่งอยู่ได้ครั้งนั้นเทา้าสกะ ตรักัเท พ, พบุตรทั้งสี่นั้นว่าพอทั้งหลายจิตของพวกท่านยังพอข่มได้ก่อนส่วนเราเมื่อได้เทพธิดานี้จึงจักเป็นอยู่เมื่อเราไม่ได้จักต้องตายพวกเทพบุตรจึงทูลว่าข้าแต่มหาราชพวกข้าพระองค์ไม่มีความต้องการด้วยความตายของพระองค์แล้ว นางสละเทพธิดานั้นถวายเท้าส ก, กะแล้วหลีกไปเทพธิดานั้นได้เป็นที่รักที่พอพระหฤทัยของเท้าส ก, กะเมื่อนางกราบทูลว่าหม่อมฉันจะไปสู่สนามเล่นชื่อโ น, น้นเท้าส ก, ก, ะกะก็ไม่สามารถจะทรงขัดคำของนางได้เลยดังนี้แลเรื่องเจ้าหญิงโรหินีจบ